ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคัมภีร์ชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรัตีตาจารย์ชาวสีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาการตัดสู้ของพระโพธิสัตว์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ถึงโอกาสที่จะพนานาเรื่องการตัดสู้แล้ว พระพุทธรัตติตาจารย์เมื่อจะแสดงเรื่องการตัดรู้นั้นจึงกล่าวว่าดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ทางทิศตะวันออกเหมือนล้อเงินลอยไปทางท้องฟ้าดวงอาทิตย์มีรัศมีหนึ่งพันโครจรไปทางทิศตะวันตกพระมุนีประทับนั่งขัดสมาธิพิจารณาธรรมบนบัลลังก์อันใครๆให้พ่ายแพ้ไม่ได้ท่ามกลางใต้ร่มโพพึก ในขณะนั้นเท้าสกะเป่าสังเหาะมาท้ามหาพรหมกั้นชัดกว้างสามยอ์เหนือเสียนของพระมุนีเท้าสันดุสิตถือพัดใบตานแก้วมณีท้าสุยามะถือพัดวาละวีชนีเทวดาที่เหลือได้ถือสิ่งของที่เป็นมงคลต่างๆมูเทวดามีเท้าสกะและเท้ามหาพรหมเป็นต้นในหมื่นจักรวาลพาการเป่าสังเป็นต้น เต็มอยู่ในจักรวาลด้วยประการชนี้เทวดาบางพวกยืนถือวัตถุมงคลบางพวกยืนถือธงไัยและพวงดอกไม้บางพวกยืนถือห ม, ม้อที่เต็มด้วยน้ําเป็นต้นถวยเทพในหมื่นจักรวาลพากันยินดีร่าเริงเบิกบานฟ้อนราขับร้องประสานเสียงประโคมดนตรีในสถานที่นั้นด้วยหมายใจว่าพวกเรา จะได้ความยินดีในอมตะรสของพระธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นและจะได้เห็นปาฏิหาริย์อันเป็นความชื่นชมในรสอันเป็นอมตะทางดวงตาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงทางอมตะปล่อยเวนยสัตว์ให้พ้นจากชรากรดานและมรณะกรดานจากลูกสอนคือความเศร้าโศกและความคับแค้นใจจากบวงคือกาม พระพุทธเจ้าผู้องค์อาจในหมู่นระผู้ติดทวยเทพผู้ยินดีแล้วอย่างนี้บูชาอยู่มิได้ทรงนึกถึงเรื่องการบูชาอะไรอะไรทรงนึกถึงแต่พระธรรมอันสูงสุดพระสิทธัตถะผู้ให้ความสำเร็จในที่ทั้งปวงผู้สงบผู้ที่มารให้พ่ายแพ้ไม่ได้ประทับนั่งเหนืออัปปราชิตะบัลลังใต้ฉัดแก้วคือโพพฤกษ บริเวณลานกว้างใหญ่แห่งโพธิมณฑลณพื้นมหาโพธิมณฑลมีจักรวาลเป็นปราสาทหน่ารื่นรมมีภูเขาจักรวาลเป็นกำแพงมีท้องฟ้าที่แปลวพราวด้วยดวงดาวดุดแก้วมณีเป็นเพดานมีดวงจันทร์เป็นดวงประทีปสว่างสวัยด้วยรัตนะต่างๆบูชาด้วยพวงดอกไม้และของหอมเป็นต้นมีหมู่เทพประโคมกลองให้รื่นเริง ด้วยเพลงขับอันเป็นมงคลทรงระลึกถึงชาติก่อนในยามต้นความบังเกิดแห่งนามและรูปในที่นี้พระโพธิสัตว์ทรงเห็นดีแล้วสกายะทิฐิความเห็นว่าเป็นกายของตนพระโพธิสัตว์ทรงละได้แล้วโดยประการทั้งปวงต่อจากนั้นในยามที่สองทรงระลึกถึงผู้ที่เข้าถึงตามกรรมการสมพบด้วยกรรมมกิเลส เป็นอันพระมหาบุรุษนั้นทรงเห็นดีแล้วด้วยพระยานนั้นทรงละความสงสัยสิบหกประการที่มีอยู่ด้วยการขาวิตรณยานที่ทรงบรรลุแล้วต่อจากนั้นในยานที่สามพระมหาบุรุษนั้นทรงใช้ยานพิจารณาปฏิจจสมุปปาธรรมสิบสองอาการโดยไม่เหลือพระองค์ทรงพิจารณาอาวิชชาเป็นต้นโดยอนุโลมและ พิจารณาชราเป็นต้นโดนปฏิโลมทรงบรรลุยะถาภูตญาณทัศนะในชาติทั้งหลายอันบุคคลพึงนับไม่ได้แม้ด้วยร้อยโกรธแห่งกับพระองค์ยังความโลภให้พินาศไปซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการให้อย่างไม่มีเหลือทรงหักห้ามความโกรธและโทสะด้วยศีลขันติและเมตตาทรงตัดโมหะด้วยปัญญาณมิฉาทิฐิ ทรงตัดด้วยปัญญาอย่างนั้นทรงตัดด้วยปัญญาอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์ทรงบรรเทาความสงสัยในธรรมด้วยการเข้าไปหาครูทำลายความฟุ้งซ่านเพราะความถือตัวด้วยความนอบน้อมต่อผู้เป็นใหญ่ในตระกูลพระองค์ทรงทาลายการมราคะให้พินาศด้วยเนคขมมะบ่อยๆอยังการพูดปดหลอกลวงให้พินาศไปด้วยคาจริง และยังความเกียดติครานให้พินาศไปด้วยความเพียรพระองค์ทรงบรรเทาส่วนของกิเลสนั้นๆด้วยทานเป็นต้นอย่างนี้ปัญญาเป็นอันมากเพิ่มพูนดีแล้วความสงบจะไม่เพิ่มพูนได้อย่างไรพระมหาบุรุษทรงกระทําสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งนะักทรงปรารถนาให้ทานเป็นต้นในปางก่อนไม่ทรงปราถนาสมบัติในพบอะไรอะไร ต้องปรารถนาพระโพธิญาณอันสูงสุดบุญและความปรารถนาที่กระทำไว้แล้วเริ่มตั้งแต่ตั้งปณิธานถึงพร้อมแล้วในอัตภาพหนึ่งในบัดนี้ย่อมให้พระโพธิญาณอย่างไม่ต้องสงสัยพระมหาบุรุษนั้นพิจารณาโดยอนุโลมถึงสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และมิใช่ตนทรงบรรลุพระนิพพานแล้วเพราะเหตุนั้นอันหนึ่ง พระมหาบรุษนั้นทรงเผากิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะบรรลุพระอระหันตได้เป็นพระพุทธเจ้าที่ลานโพพึกพระมหาบรุษนั้นทรงได้เวัสดิ์ฉัตรอันประเสริฐคือวิมุตติทรงเปล่งอุทานด้วยกำลังปีติว่าเราทำลายมาทั้งหลายเป็นผู้ชนะหมู่ฆ่าศึกแล้ว ทรงเป็นดุดดวงที่วกรดวงเดียวในพุทธกเกษตรทั้งสามพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ประเสริฐผู้ทรงฉัดทั้งสามและทรงสามารถเพื่อให้โลกธาตุแม้ทั้งพันที่ยิ่งใหญ่รู้แจ้งด้วยพระสุรเสียงด้วยประการฉนี้ในคาถาเหล่านั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ เมื่อพระสิทธัตถะทรงปราบวาสวรดีมารให้พ่ายแพ้แล้วทรงประทรับนั่งอยู่อย่างนี้ทวยเทพชั้นภุมมะเป็นต้นผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลทั้งสิน้นได้ประกาศให้ได้ยินเสียงว่ามาเถอท่านผู้นระทุกทั้งหลายพระสิทธัตถะทรงมีชัยชนะมารอะสิทธัตถะได้รับความพ่ายแพ้พวกเราจะร่วมกันกระทําชัยยะมงคลและพุทธมงคลแล้วได้ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในขณะนั้นมนทนแห่งดวงอาทิตย์ประมาณห้าสิบโยธที่งดงามด้วยรัศมีหนึ่งพันอัดสดงคตแล้วเหมือนล้อรถทองคำที่บุคคลจับกงกดให้จมลงในมหาสมุทรมนทนแห่งพระจันทร์ประมาณสี่สิบเก้าโยต์เปล่งแสงสว่างอุทัยขึ้นมาส่องแสงสว่างทั่วห้องจั ก, กรวาลอยขึ้นมาจากทิศปาจีนเหมือนล้อสีเงินที่โผล่ขึ้นจากขีรสาคร พากรลอยขึ้นไปในท้องฟ้าพระมหาบุรุษ ท, ทรงรุ่งโรดด้วยแสงจากพระสรีระมีสีดุดทองคำของพระองค์ในถามกลางจักรวาลดุดจะกดประเทศนั้นให้จมลงในทองคาดุดจะกดประเทศนั้นให้จมลงในน้าทองคำพระมหาบุรุษผู้ทรงรุ่งโรดอยู่อย่างนี้ประทับนั่งพิจารณาธรรมเหนืออราชิตะบัลังที่โคนต้น โคซึ่งคล้ายกับฉัดแก้วมณีสีนินด้วยเหตุนั้นพระพุทธรักิตาจารย์จึงกล่าวว่าปุระโตคัตฉติจันโดดวงจันทร์ลอยเด่นอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นต้นพระพุทธรักิตาจารย์ครั้นแสดงอาการที่พระมหาสัตย์ประทับนั่งแล้วอย่างนี้บัดนี้เพื่อจะแสดงการบูชาอย่างวิเศษที่พวกเทวดากระทำอยู่จึงกล่าวว่า สักโกตักสมิงคเนสังขังทเมนโตวพิทาวติในขณะนั้นทา้าวสกะเป่าสังเหาะมาเป็นต้นในครั้งนั้นทา้าวสกะเทวราชประทับอยู่ในดาวดึงสัตวโลกทรงเป่าสังวิชยยศยาวประมาณร้อยี่สิบศอกเพื่อให้เทวราทั้งหลายมาประชุมกันเสียงนั้นแผ่ไปในเทวนครซึ่งกว้างถึงหนึ่งหมืนยอดทั้งสิน้น จากนั้นเท้าสกตะก็ได้เป่าสังเหาะไปยังโพธิมณฑลไม่ใช่เท้าสกตะนั้นที่เหาะไปเ ท, ท้าสกตะเทวราชทั้งหลายในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นก็พากันเป่าสังเหาะมาเหมือนกันเท้ามหาพรหมถือสเวตฉัตรที่ปักไว้เหนือยอดเขาจักรวาลมากั้นไว้เบื้องบนพระมหาบรุษไม่ใช่แต่เท้ามหาพรหมเท่านั้นที่มายืนถือเวตฉัตรกั้นไว้เบื้องบนพระมหาบรุษ เท้มหาพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นก็ได้มายืนถือสเวตชัตรจนจักรวาล น, นี้มิให้มีช่องว่างจากสเวตชัตรเลยเช่นเดียวกันเท้าสุญามาเทวราชในยามะเทวโลกก็ได้ยืนถือพัดวารวิชนีประมาณสามขาวุธพัดอยู่ในที่ใกล้มิใช่แต่เท้าสุญามาเทวราชนั้นที่ยืนถือพัดวารวิชนีพัดอยู่ ท้าสุจามะเทวราชทั้งหลายในเมือนจักรวาลทั้งสิ้นก็ได้มายืนถือพัดวารวิชณีจนเต็มภู Clan, <Ad olf. S 1> เขาจักรวาลเท้าสันดุสิตเทวราชในดุสิตเทวโ ล, ลกยืนถือพัดเบาตานแก้วมณีสามขวุฒพัดอยู่มิใช่แต่เท้าสันดุสิตนั้นที่ยืนถือพัดเบาตานแก้วมณีพัดอยู่เท้าสันดุสิตเทวราชทั้งหลายในเมือนจักรวาลทั้งสิ้นก็ได้ยืนถือพัดเบาตานแก้วมณีจนเต็มห้องจักรวาล ปัญจสิกขาเทพบุตรถือปินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกสามคาวุฒิแวดล้อมด้วยเทพคนทันแวดล้อมด้วยเทพแวดล้อมด้วยเทพคนทันจํานวนมากขอโทษครับแวดล้อมด้วยเทพคนทันจํานวนมากยืนฟ้อนรําอยู่มิใช่แต่ปัญจสิกขาเทพบุตรนั้นที่ยืนฟ้อนรําอยู่คนทันเทพบุตร ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็ได้พากันแสดงการฟ้อนของคนทันก็เทพระบุษแลนะเทพธิดาทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลทั้งสิ้นลาวเอ่นมาประชุมกันในจักรวาล น, นี้เทวดาบางพวกถือพุ่มพวงดอกไม้รัตนะยืนแวดล้อมอยู่โดยรอบเช่นเดียวกันเทวดาบางพวกถือมาลัยเครื่องบูชารัตนะมายืนแวดล้อมถัดจากนั้น เทวดาบางพวกถือมลัยกล้วยทองคําเทวดาบางพวกถือม ล, ลัยรูปลูกโพอันเป็นสิริซึ่งทําด้วยรัตนะทุกอย่างเทวดาบางพวกถือม ล, ลัยรูปพัดวารวิชนีบางพวกถือมลัยรูปไม้ขอบางพวกถือมลัยรูปปลาคู่บางพวกถือม ล, ลัยนันทิยาวัดบางพวกถือม ล, ลัยรูปตังบางพวกถือ ม, นนอม ล, ลัถมลยถาดน้ําเต็มเต็มด้วยน้ํา บางพวกก็ถือมารัยรูปหม้อน้ําเต็มบางพวกถือมารัยรูปสังบางพวกถือมารัยรูปทัพพีโบกวันไฟบางพวกถือมารัยรูปประทีปซึ่งมีแก้วมณีเป็นด้ามบางพวกถือมารัยรูปกระจกทองคําบางพวกถือมารัยรูปกระจกแก้วมณีบางพวกถือมารัยรูปกระจกรัตนะบางพวกถือมารัยรูปประทีปแก้วมณีบางพวกก็ถือมารัยธงแผ่นผ้าบางพวกถือมารัยรูปต้นกรลประพฤกษ์ ยืนแวดล้อมเป็นแถวต่อกันจนถึงภูเขาจักรวาลพวกเทวดาผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลทั้งสิน้นแปลงเพศเป็นคนฟ้อนบรรเลงเพลงขับของเทพนักฟ้อนบูชาด้วยดอกไม้และเครื่องจุนอันเป็นทิพย์เป็นต้นพื้นท้องฟ้าทั้งสิน้นไม่ได้มีที่ว่างเว้นจากฝนดอกไม้และเครื่องจุนของหอมอันเป็นทิพย์เหมือนเต็มแล้วด้วยสายแห่งเมฆฝนมากมาย พระพุทธรกิจตาจารย์ครั้งแสดงวิธีบูชาที่พวกเทวดาทำอยู่อย่างนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงเหตุที่เทวดาเหล่านั้นบูชาอยู่อย่างนี้จึงกล่าวว่าธรรมามัตะระสะสาดังธรรมามัตะระสัสดาดังความยินดีในอมตะรสของพระธรรมเป็นต้นในคํานั้นมีอธิบายว่า ปีติที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ได้โลกุตรธรรม9นี้คือมัคสีสามัญญผลสี่นิพพานหนึ่งย่อมมีธรรมนั้นเป็นอารมณ์ได้แก่ความยินดีว่าพวกเราจะได้ความยินดีในอมตะรสของธรรมนั้นในสํานักของบุคคลนั้นคือจกได้เห็นความยินดีในอมตะรสแก่ดวงตาและปาฏิหารในสํานักของบุคคลนั้น ด้าพุทธรักิตาาจารย์รวมเอาความกันดานแม้ทั้งปวงคือท่านแสดงชาติกันดาลชรากันดานพยาธิกันดานมรณะกันดาลโสกะกันดานปริยะปริเทวกันดาลทุกขะกันดานโทมนัสกันดาลอุปายาสกันดาลด้วยคำนี้ว่าชรามรณะกันตาราชรากันดาลและมรณะกันดาลไม่มีที่สุดแห่งการเกิดสืบต่อกัน ด้วยสามารถแห่งการเกิดในที่นั้นบ่อยๆเพราะเหตุนั้นที่นั้นจึงชื่อว่าความกันดานเพราะความแก่และความตายเป็นต้นในเพราะการเกิดตร่ำไปจึงชื่อว่าความมีอยู่โดยส่วนเดียวเพราะเหตุนั้นความแก่และความตายเป็นต้นแม้เหล่านั้นจึงชื่อว่าความกันดานเหมือนกันข อ, อพระมหาบุรุษนี้ทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงแสดงโทษแห่งสงสารแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้ว ย่อมแสดงธรรมซึ่งทำการละตันหาได้เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นฟังธรรมะนั้นแล้วพิจารณาไว้ในใจทำไว้ในใจโดยแยกคายย่อมเผาตันหาพร้อมทั้งรากเงาได้ด้วยไฟคือยานเพราะทำลายตันหาได้ก็จะไม่มีการเกิดเพราะไม่มีการเกิดความแก่และความตายเป็นต้นก็จะไม่มีด้วยเหตุนั้นพระพุทธรักษิาจารย์จึงกล่าวคาว่า ชรามรณะกันตาราชรากันดานและมรณะกันดานเป็นต้นพระพุทธรัตจิตอาจารย์ครั้นแสดงเรื่องราวของเทวดาและพรหมทั้งหลายอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะแสดงเรื่องราวของพระมหาบุรุษจึงกล่าวว่าอิติตุเทหิเดเวหิทเวยเทพยินดีแล้วอย่างนี้เป็นต้น พระมหาบุุษนั้นทรงองค์อาจในหมู่ชนแม้ผู้อันถวยเทศผู้ยินดีบูชาอยู่ด้วยเหตุนี้ก็ไม่ทำอาลัยไม่ใส่พระไทยถึงการบูชาวิเศษแม้ยิ่งใหญ่เพียงนั้นที่ปรากฏอยู่ก็ดีที่ได้ทรงสดับมาก็ดีประทับนั่งดำริถึงแต่ธรรมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพระองค์เท่านั้นคำว่าสัพพะถะสาธิโตสันโต ผู้ให้สําเร็จในที่ทั้งปวงผู้สงบความว่าพระมหาบุรุษตรงทําประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นบุญยสมทานคือบุญที่อุดหนุนที่บําเพ็ญมาแล้วมีทานและศีลเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งโพธิญาณให้สําเร็จแล้วอย่างไม่บกรพร่องเพราะเหตุนั้นแลจึงได้การขนานพระนามว่าสิทถัตถะผู้ยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่ชาวโลก ประทับนั่งที่โคนต้นโพ ท, ทรงขับไล่มารทร้อมทั้งกองทัพให้หนีไปขณะที่ดวงอาทิตย์ยังไม่อัสดงคตเลยก็เมื่อพระมหาบรุษประทับนั่งอยู่อย่างนี้ทวยเทพผู้อยู่ในหมือนจักรวาลทั้งสิน้นได้ยืนบูชาอยู่ด้วยระเบียบและของหอมเป็นต้นแม้จะบูชามากมายขณะนี้แต่ว่าก็ไม่ทำให้พระบพธิสัตว์ใส่ใจสนใจนะก็ใส่ใจในธรรมะที่จะทาให้บรรลุเป็น พ, พระพุทธเจ้าอัานสูงสุดอย่างเดียว เทพที่ด่าทั้งหลายได้ยืนถือกรองมหระศพบรรเลงเพลงอยู่จั ก, กรวาลทั้งสิ้นก็ได้คือกล้องบรรลือลั่นซ้อมกันด้วยเสียงของสวยเทพและพญานาคมหาการละขับร้องเพลงอันเป็นมงคลประกาศคุณต่างๆของพระมหาบุรุษนั้นก็เมื่อเป็นเช่นนี้ภูเขาจั ก, กรวาลมีขนาดแปด0มืยชสองพันยอดตั้งแวดล้อมจั ก, กรวาลทั้งสิ้นก็ได้เป็นกำแพงม่านให้พระมหาบุรุษนั้น อากาศที่ประดับด้วยแก้วมณีคือดวงดาวนั่นเองก็ได้เป็นเพดานดวงจันทร์ดวงจันทร์ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในเวลากลางคืนนั้นทั้งสิ้นได้เป็นดวงประทีปจั ก, กรวาลได้เป็นดวงประทีปจั ก, กรวาลหนึ่งหมื่นห้องได้เป็นปราสาทเจ็ดชั้นกล่าวคือสุขติเจ็ดสถานที่ที่พื้นปราสาทกล่าวคือลานโพมนทิลานโพ ท, ทิมณฑนนั้น จะพินาศในภายหลังในเมื่อแสนโกดจกวาลพินาศไปในสังวัตกะสถานที่นั้นจะตั้งขึ้นก่อนในวิวัตกะก็ะคือตอนที่กลับสร้างขึ้นสถานที่ที่ดอกปทุมที่เกิดในน้ําซึ่งเกิดขึ้นในกลับนั้นแหลแย้มบานในพรมโลกแล้วจะให้สมณะบริขารตามจํานวนของพระทศพลผู้จะอุบัติขึ้นในวิวัตกฐานีกับ จะเป็นสถานที่ไม่หวั่นไหวก็คือที่โพธิบัลลังนั่นเองเป็นสถานที่เกิดขึ้นก่อนเรียกว่าเป็นสะดือแผ่นดินก็ได้แล้วก็เป็นที่ที่จะทำลายไปในภายหลังที่สุดหลังจากที่มีการทำลายโลกนะในเมื่อพระพธิสัตร์ผู้บาเพ็ญบา ร, รมีในกับนั้นแลแล้วบรรลุคุณอันปรมาภิได้เพราะเหตุว่าสถานที่นั้นมิใช่วิมานเป็นโพงเหมือนนากลองจนถึงพรวัพรม เป็นสถานที่แม้อันพรมก็ไม่เหาะข้ามคือไม่สามารถจะเหาะข้ามไปได้และเป็นสถานที่อันนาคมนุษย์อสูรเทวดาครุฑพรมและพระเจ้าจักรพรรดิบูชาแล้วต้นโพซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่อันสูงสุดซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจบนแผ่นดินใหญ่อันประเสริฐริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในอุรุเวรชนบทในดินแดนของชาวมคตนั้น สูงนับแต่โคนต้นจนถึงปลายกิ่งประมาณร้อยศอกมีปริมณทนวัดได้ประมาณร้อยศอกรุ่งเรืองอยู่ดุดกำหางลูกยุงซึ่งติดเป็นแผ่นได้เป็นเหมือนฉัดแก้วมณีที่เขากั้นไว้ข้างบนพระมหาบุรุษประทับนั่งบนพุทธบัลลังก์คืออัปราชิตะบัลลังก์ที่กั้นด้วยฉัดแก้วมณีนั้นตระดึกถึงชาติก่อนทั้งปวงนั้นในยามที่หนึ่งแห่งราตรีนั้น ตั้งแต่อาสนะที่ประทับนั่งแล้วไปจนถึงการที่ได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรและตั้งแต่การที่ได้รับพยากรณ์นั้นมาจนถึงอาสนะที่นั่งแล้วอธิบายว่าทรงได้ปลกเพนิวารสานุสติยานสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อกิจเป็นสมาธิบริสุทธิ์ปุดพองไม่มีกิเลสเตียงดังเนิน ตาสจจากความเศร้าหมองอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้แล้วเรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติยานระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติคือชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสาสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตตะกับบ้างตลอดวิวัตกับบ้าง ตลอดสังวัตกับวิวัตตกับบ้างหลายกลับว่าในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลอย่างนั้นมีวันะ ม, มีอาหารมีการสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพนู้นมีชื่อมีตระกูลมีวันะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพนู้นมีชื่อมีตระกูลมีวันะมีอาหารสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจติจะพบนั้นจึงมาเกิดในพบนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ก็คือพร้อมทั้งนิมิตและอรูปยัญชนะต่งตางๆครามเราได้บรรลุวิชาที่หนึ่งในยามแรกแห่งราตรีความมืดคือวิชาเรากาจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นแต่เรา เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจคือมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในะร่างกายและชีวิตนั่นเองครามนี้คือการเจาะ ก, กระปะอไข่คืออวิชชาออกมาครั้งที่หนึ่งของเราเหมือนการเจาะออกจากกระปาะไข่ของลูกไก่เชนั้นพระมหาปุโรเมื่อพิจารณาความสืบต่อแห่งการเกิดด้วยประเพณีวาสารสติญาณอย่างนี้ ย่อมรู้แจ้งว่าก่อนนามรูปนั้นแลย่อมบังเกิดในชาตินั้นๆความสืบต่อแห่งนามรูปนั้นแลเพราะความสืบต่อแห่งเหตุเกิดขึ้นทำวินยัตต์ต่างๆให้ปรากฏด้วยอำนาจการเห็นรูปเป็นต้นในทวารทั้งหลายมีจักุทวารเป็นต้นเหมือนเปลวประทีปและเหมือนกระแสน้ำที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งความต่อเนื่องไม่ขาดสายในที่ทุกแห่งคือทั้งในขณะจุติทั้งในขณะอุบัต ทั้งในขณะเป็นไปสัตว์ไม่มีชีวะไม่มีอะไรจะมีอยู่ใครๆจะเป็นเทพเป็นมาหรือเป็นรมผู้ให้นามรูปนั้นบังเกิดก็ไม่มีพระมหาบุษทรงบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแล้วได้ทรงทำลายสกายาทิฐิอันมีวัตถุยี่ติบคือบุริชนบางคนในโลกนี้พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้าง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 ความกันดาลคือทิฏฐิเส้นหนามคือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี้ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอันมีวัตถุยี่สิบประการก็มิจฉาทิฏฐินั้นเป็นอันพระมหาบุรุษนั้นละได้แล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติยา น, นั้นแม้โมหะที่เป็นอดีตอนาคตก็เป็นอันพระมหาบุรุษนั้นละได้แล้วพระพุทธรักษ์ขตาจารย์ครั้งแสดงปุเพนิวาสานุสติยานอย่างนี้แล้ว บัดนี้เพื่อจัดแสดงยดถากรร ม, มูปคัดยานหรือจุตูปปาตยานนะถือว่าเป็นทิพระยะคุยานก็ได้เป็นเครือข่ายเดียวกันจึงกล่าวว่าตโตหิดุติเยยาเมต่อจากนั้นในยานที่สองเป็นต้นในคาถานั้นคําว่าดุติเยยาเมในยานที่สองความว่าในมัชชิมยามแห่งราตรีคําว่ายถากรร ม, มูปเค ผู้ที่เข้าถึงตามกรรมความว่าทรงระลึกถึงสัตว์ผู้บังเกิดขึ้นตามสมควรแก่กรรมของตนของตนสมจริงดังพระดรําดัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุทพองไม่มีกิเลส เ, เพียงดังเนินปรศาศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวนไหวอย่างนี้เรานั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเพื่อหมู่สัตว์ผู้เห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติอุบัติ ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์ที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นนั้นพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบานรก แตมูส่สัตว์ที่ประกอบด้วยกายยสุจริตปจีสุจริต خر, ม, มโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยเจ้ามีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วหลังจากตายแล้วแต่ก า, า, า, ายตายไปก็จะ เ, เกิดในสุขติโลกสวรรค์เราเห็นหมูส่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดี ด้วยตาทิฟอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เรารู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการดังกล่ามานี้พระมณมเราได้บรรลุวิชาที่สองในมัชฌิมยามแห่งราตรีความมืดคือวิชาเรากาจัดได้แล้วแสงสว่างคือวิชาได้เกิดขึ้นเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจก็คือมีตนส่งไปแล้วไม่อะไรในร่างกายและชีวิต พรามนี้คือการเจาะ ก, กระเปาะไข่คืออวิชาออกมาครั้งที่สองของเราเหมือนการเจาะออ ก, อกจากกระเปาะไข่ของลูกไก่ฉะนั้นคำว่ายถากมูปค ะ, ะยานยถากรรมูปค ะ, ะยานก็ได้แก่ทิพยาจักขุยานนั่นเองการสมภพคือการบังเกิดแห่งอัตภาพของพระองค์ด้วยกรรมและกิเลสเป็นอันพระมหาบุรุษทรงเห็นดีแล้วด้วยทิพยาจักขุยานนั้น ก็ยานที่พระมหาบรุษทรงได้แล้วทรงเข้าถึงแล้วอย่างนี้นั้นชื่อว่ากังขาวิตรณัยานอธิบายว่าความสงสัยที่คงอยู่สิหกอย่างที่เหลืออันพระมหาบรุษทรงละได้แล้วด้วยกังขาวิตรณะวิสุทธิยานนั้นความคลางแคลงใจห้าอย่างที่พระมหาบริษกล่าวปรารบถึงส่วนเบื้องต้นว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือหรือไม่ได้มีแล้วหนอ เราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอย่างไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรอีกหนออันนี้ก็เป็นความสงสัยที่ปรารภอดีตส่วนความทางแรงใจวิจิจฉาห้าอย่างเนี่ยที่พระมหาบุตรกล่าวปรารภถึงส่วนเบื้องปลายเออนาคตเนี่ยว่าในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจักไม่มีหนาะเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกหนอ ส่วนวิจิจาความคลั่งแทงใจหกประการแม้ใดที่พระมหาบุรุษกล่าวปรารบถึงปัจจุบันการว่าในปัจจุบันการนี้เรามีอยู่หรือไม่หนอเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอาะสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจะไปไหนกันหนอะความสงสัยทั้งหมดนั้นอันพระมหาบุรุษทรงละได้แล้วพระพุทธรกตคีตอาจารย์พร้แสดงความปราศจากมูหะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน ด้วยจุดตปา ป, า, ปาตะญาณอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงอาสวขยายาัขคยญาณซึ่งกำจัดโมหะที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคตจึงกล่าวว่าตะโตโสตติยยาเมต่อจากนั้นในยามที่สามพระมหาบุรุษนั้นเป็นต้นท่ า, ย า, ยานอาสวัคยญาณนี้ก็กำจัดโมหะที่มีในปัจจุบันและอนาคตอันนี้ก็หมายถึงมีโดยการที่ยังละไม่ได้นะเป็นอนุสัยนะ ยังมีเกิดอยู่กับจิตแล้วก็ในอนาคตก็ไม่ได้มีอยู่ในขณะนั้นแต่ว่าเป็นบูหานว่าธาระในปัจจุบันนี้ได้ในอนาคตก็เป็นอันละไปได้ด้วยคําว่าตติเยยาเมในยามที่สามได้แก่ในปัจฉิมยามแห่งราตรีอธิบายว่าพระมหาบุรุษทรงอย่างพระยานลงในจักรก็คือวงล้อแห่งปฏิจจสมบัติที่มีองค์สิบสองคืออวิชชาความไม่รู้สังขารบาปบุลการปรงแต่งคือเจตนา โลกิยากุศลแเจตนาแล้วก็อกุศลเจตนานะวิญญาณก็ได้วิบากสามที่สองนามรูปนามก็คือเจ็ดสิ่ที่เกิดกับวิบากรูปก็คือพวกธรรมชาตรูปจิตชาตรูปด้วยสลายตนะแล้วก็ภา ษ, าภาษาะพระลายาตนะก้าหยาตนะหกนะภาษะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติและชรามรณะเพื่อให้ได้อาสวัคยญาณแล้วตรงพิจารณาคือไตรตรองซ้ําแล้วซ้ำอีก โดยอนุโลมมีอวิชชาและสังขารเป็นต้นคือตามลำดับโดยปฏิโลมคือชรามรณะชาติพบอุปาทานหาภาษาเวทนาสลายตนะนามรูปปิญญาณสังขารและอวิชชาก็ได้บรรลุอริยมรรคกล่าวคือยะถาภูตะยานทัทสนะซึ่งข้าพเจ้าจะขออธิบายในเรื่องนั้นต่อไปยะถาภูตายานทัทสะนี่ก็มีความหมายหลายอย่างนะบางอย่างก็หมายถึงบางที่ อันที่ก็หมายถึงตรุณวิปัสนาแต่ว่าบางที่ก็แสดงถึงอริยมรรคเลยที่นี้ก็แสดงถึงอริยมรรคนะส่วนการอธิบายก็จะต่อในครั้งต่อไปเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้อุ้นปีติปราโมททั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิโดยเฉพาะเรื่องของปัญญาที่เป็นไปกับศรัทธารู้คนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ถึงพระตนตรัยที่มันคงยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อ ความรู้แจ้งปฏิเวศษธรรมหลังสาวที่มีปริยัติธรรมไว้ดีแล้วก็ขอให้พระัทธรรมทั้งสามจงสถิตปฏิสถาอยู่ในวารกาอยู่ในตัวของท่านทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะกระทาที่ตุดแห่งทุกทั้งปวงสาธุสาธุสาธุ